พรหมาราโลกที่ปติสัมภิตรัอันจริอันที่วารังอาญาจทาสันติ สันต์ปาราชักข้าชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปีมังปัจฉัง สัมพุทธะนโมัสสะะโวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมัสสะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนัมัสามิขอจเจริญพรญาติยโยมทุกท่านหมายมาถึงใช่ไหม ทางผู้จัดนิมนต์อยากจะให้นมามาบรรยายเรื่องมรณสติก่อนที่บรรยายต่อก็เลยอยากจะถามว่า พวกเราในที่นี้มีใครคิดว่าตัวเองจะไม่ตายบ้างไม่มีนะฮะทุกคนอาตมาเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คิดหรือว่าเชื่อเฉยแต่ว่ารู้เลยนะรู้แน่แก่ใจว่าเราทุกคนนะจะต้องตายนะคำถามต่อไปก็คือว่า แล้วเราพร้อมที่จะตายแล้วหรื อ, อยังนะในเมื่อความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเรามีความพร้อมเพียงใดหรือว่าเราพร้อมจะรับมือกับความตายมากน้อยเพียงใด อันนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นการบ้าหรือเป็นโจทย์ที่เราควรจะต้องคิดนะตั้งแต่ตั้งแต่รู้ความแล้วหรือว่าตั้งแต่มีความเข้าใจความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตอาจจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก หรือว่าเมื่อเราอยู่ในที่อยู่เรียนอยู่โรงเรียนนะแต่คำถามอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยหรือไม่เคยอยู่ในความคิดของเราเลยทั้งที่มันเป็นความจริงอย่างแน่นอนอะไรที่ทำให้ คำถามอย่างนี้เนี่ยซึ่งเป็นคาถามสำคัญนะไม่ค่อยอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเท่าไหร่อัตมาคือเป็นประเด็นสำคัญนะคงเพราะเหตุนี้แหละผู้คนทุกวันนี้เนี่ยจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับลืมตายนะคือลืมว่าตัวเองจะต้องตาย ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่การที่เราไม่คุ้นคิดหรือใคร่ครวญกับเรื่องนี้อย่างเพียงพอก็อ จ, จะทำใหเ้เรารู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่เหินห่างบางท่านหรือส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวโดวยเฉพาะผู้ที่ยัง ยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังวังชายังไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวมากนะแต่ก็อย่างที่พาสิทธิทเบตนะได้เตือนใจเอาไวนะ้ว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชาติหน้ามันไกลยังอยู่อีกไกลแต่ที่จริงอาจจะใกล้กว่าวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ที่กรุงเทพในเมืองไทยหรือทั่วโลกหลายคนจะ ไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเขานะพรุ่งนี้จะไม่มีสำหรับเขาเพราะว่าเขาจะหมดลมในวันนี้ด้วยสาเหตุต่างๆอุบัติเหตุหัวใจวายภัยธรรมชาติอาจกรรมนะไม่มีพรุ่งนี้แต่มีชาติหน้าเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวก็อาจจะไม่ถูกนักนะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาและตรงนี้เองเป็นความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนหวั่นไหวเพราะว่านอกจากความตายจะเป็นของแน่นอนแล้ว ที่แย่กว่านั้นก็คือว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในความแน่นอนนั้นมันมีความไม่แน่นอนสูงมากคือตายแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าตายแน่แต่รู้วันเวลาก็ยังพอเตรียมตัวได้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาแผ่นดินไหวนะ เขาก็พยายามที่จะคิดคน้นเทคโนโลยีที่จะทำให้เขาเนี่ยหรือประชาชนคนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้านี่เขาไม่ต้องการรู้หนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงนะเขาขอแค่รู้เพียงแค่5นาที รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละเขาก็พอใจแล้วเพราะว่ามันจะช่วยลดชีวิตของการตายของผู้คนได้มากเช่นหยุดรถไฟทุกสายนะแล้วก็มีการกู้ภัยโดยด่วนแต่แค่นั้นเขายังทำไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้แม้แต่ห้านาทีนะ เพราะนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่จะรู้ว่าตัวเจะต้องตายภายในเวลาสามวันสี่วันเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่ที่มันลำบากหรือมันแยกก่กวนะ่านั้นก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจในโลกนี้เนี่ยได้นานอีกสักเท่าไหร่ พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าอีก1ิปีข้างหน้าเราไม่ทราบเลยหรือจะคืนนี้ก็ได้มันก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เราทำนายไม่ได้เนี่ยมีอยู่5ประการก็คือหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิต ยาวนานแค่ไหน2เราไม่รู้ว่าเราจะตายเพราะอะไร3เราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหน4เราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยเหตุอะไรและ5เราไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านถึงให้ความสำคัญนะกับการที่เรานะจะเตรียมพร้อมรับมือกับความตาย mm. <snacks. S 2> เพื่อว่าเมื่อความตายมาถึงนะเราก็จะสามารถที่จะ รับเมื่อความตายได้และใ น, ลในเวลาเดียวกันความตายนั้นเมื่อเราเระลึกนึกถึงก็จะช่วยเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะซึ่งมันไม่เป็นเพียงการช่วยทำให้เรามีชีวิตในตแต่ละขณะยังมีความสุข อย่างมีคุณค่ามีความหมายเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเตรียมให้เรารับมือกับความตายได้ด้วยใจสงบในชีวิตของคนสวัยใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีการเตรียมเรามีการฝึกสารพัด เรามีการฝึกวิธีชงชาชงกาแฟมีการเข้าคอสชงกาแฟนะไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะเป็นอาทิตยนะ์คนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยเขายอมเสียเวลายอมเสียเงินหนึ่งร้อยชั่วโมงเพื่อที่จะหัดตีกอล์ฟให้เป็นหนึ่งร้ยชั่วโมงนะ เรามีเวลาในการฝึกฝนนะตัดเย็บเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งฝึกวิธีฉีกยิ้มให้สวยนะให้ดูจริงใจนะเรามีการฝึกฝนเรามีการเตรียมหลายอย่างทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นการศึกษาการหาความรู้ การเตรียมในเรื่องวิชาชีพแล้วก็จะเป็นเรื่องปลีกจ่อยอย่างตัวอย่างที่พูดมานะฝึกการเล่นกอล์ฟนะตามดรา์ต่างๆฝึกการเต้นดนตรีฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรามีโปรแกรมเรามีกําหนดการที่จะฝึกหรือว่าซ้อมหลายเรื่องมากเลยแต่มีสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ แทบจะไม่เคยได้เตรียมมันเท่าไหร่หรือไม่ได้นึกถึงเลยก็คือการเตรียมตัวตายหรือการเตรียมรับมือกับความตายนะทั้งที่เราทุกคนก็รู้อยู่กับใจว่าต้องตายแน่นอนนะด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนในยุคปัจจุบันก็คือว่า เลยชีวิตสุดท้ายระยะสุดท้ายของผู้คนสมัยใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกันเลยและวยิงปัจจุบันการตายของคนสมัยใหม่เนี่ยเป็นการตายที่ยืดเยื้อไม่เหมือนคนโบราณที่ว่าการตายของเขาใช้เวลาไม่นานเพราะส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ตายเพราะ อุบัติเหตุก็ตายเพราะโรคติดเชื้อซึ่งเนื่องจากไม่มีวัคซีนไม่มียาปฏิชีวนะก็ทำให้สี่ห้าชั่วโมงก็ตายแล้วสี่ห้าวันก็ตายแล้วแต่ปัจจุบันเราเอาชนะโรคติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากภายคุกคามชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ก็เลยได้แก่โรคที่ ไม่ติดเชื้อเช่นโรคที่เป็นเรื่องความเสื่อมทางสุขภาพมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานไตาวายและขณะเดียวกันเราก็มีเทคโนโลยีจำนวนมากมายที่ทำให้ระยะเวลาในการตายของผู้คนมันยืดเยื้อมันยาวไม่ใช่แค่ห้าวันอาจจะเป็นสามเดือนอาจจะเป็นห้าปีนะแต่ว่า เทคโนโลยีก็ทำได้เพียงแค่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ถึงกับที่จะช่วยทำให้เราลอดตายหรือหายป่วยได้เช่นคนที่ไตาวายนะก็ต้องล้างายอยู่เป็นประจำนะหรือบางคนอาการหนักจากก่อนนั้นก็ต้องอยู่ในห้อง ICU เพราะนั้นจึงเต็มไปด้วยช่วงเวลาความทุกข์ทรมานทั้งกายและก็ใจนะ ตรงนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือความตายแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความทุกข์ทรมานทางจิตใจมากนะด้วยเห็นนี้เองเมื่อได้เห็นสภาพเช่นนี้ผู้คนจำนวนมากก็ยิ่งกลัวความตายและเมื่อกลัวความตายก็เลยยิ่งไม่อยากคิดถึงไม่อยากฟังด้วยซ้ำ ใครจะพูดเรื่องความตายถ้าไม่ใช่เป็นความตายของตัวละครนะความตายของคนไกลตัวแต่ถ้าเป็นความตายคนใกล้ตัวหรือความตายของตัวเองก็จะไม่อยากพูดไม่จะบอกว่าเป็นอัปมงคลนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเอ่ยคําว่าความตายเราก็หวั่นไหวซะแล้วเดียวไม่ทันศบตายกับความตายเลยแค่เจอ ได้ยินคำว่าความตายแล้วก็หวนไหวไม่อยากจะให้พูดคำนี้ถ้าจาเป็นก็ใช้คำอื่นแทนมรณงหรือว่าจากไปสิ้นลมนะความตายคำว่าความตายก็เป็นคำอุจจารที่เราไม่อยากจะได้ยินนี่คือคือสภาพของผู้คนจำนวนมากที่พยายามหลีกหนีความตายไปให้ไกลก็เลยมีชีวิตเหมือน คนลืมตายและดังนั้นเมื่อความตายมาใกล้ตัวเช่นพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายทั้งนั้นที่สุขภาพก็ยังเป็นปกติสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้แต่เพียงรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ก็รู้สึกมันก็ถูกพิพากษาตัดสินประหารชีวิตแล้วทันทีที่รู้ก็จะทำใจไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับมีชีวิตเหมือนเส ม, มือนคนตายนั่นมันตรงคาบเลยนะทีแรกเนี่ยอยู่แบบลืมตายก็ยคือสนุกสนานลื่นเลงนะทำตัวให้วุ่นวุ่นกับการเสพการบริโภคการเที่ยว แต่พอรู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้ความตายหรือความตายมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านจากที่เคยอยู่แบบลืมตายก็กลายเป็นอยู่เหมือนคนตายและด้วยสภาพชนนี้เองเนี่ยกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะตายจริงๆเนี่ยคือจะหมดลมเนี่ยเขาตายไปหลายครั้งแล้วเขาตายแทบทุกวัน เพราะใจที่ปฏิเสธไม่ยอมรับความตายกลัวพยายามหนีแต่ยิ่งหนีนะก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์เมื่อเผชิญหน้ากับมันมากขึ้นนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมสมัยใหม่นะอยู่อย่างลืมตาย และในสุดก็อยู่เหมือนคนตายและเมื่อถึงเวลาที่จะตายจริงๆก็หลงตายหลงตายก็คือว่าตายด้วยความหลงทุรนทุรายไร้สตนะิเราเรียกว่าหลงตายซึ่งในพระพุทธศาสนาคนที่หลงตายนั้นก็ย่อมไปสู่ทุกขตนะิไปสู่ทุกขติไปสู่หรืออาจจะไปถึงกับไปอบายเลยก็ได้ พอจิตใจเศร้าหมองจิตใจหวาดกลัวจิตใจทุรนทุรายที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักความตายดีพอเราถึงมีปฏิกิริยาอย่างนั้นเราไม่รู้จัก เราไม่เข้าใจความตายดีพอเราถึงกลัวเราถึงพยายามหนีเราถึงพยายามปฏิเสธมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะพูดไ้น่าฟังว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจความตายก็เช่นเดียวกันความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจความตายแล้วก็ความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป คนทั่วไปมักจะมองว่าความตายนี่คือวิกฤตนะอันนั้นก็มีส่วนถูกอยู่แต่ในอีกด้านหนึ่งความตายนั้นก็เป็นโอกาสด้วยความตายเป็ น, ปนวิกฤตในทางกายภาพแต่ว่ามันเป็นโอกาสในทางจิตใจหรือโอกาสในทางจิตวิญญาณเป็นโอกาสที่จะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี ให้กับจิตใจหลายคนเมื่อรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะเขาได้หันกลับเข้ามาย้อนมองชีวิตแล้วไข้ครวนแล้หลายคนก็ได้พบความสุขที่แท้แม้ว่ากำลังป่วยหนะักโดยเพราะคนที่ได้หันเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรม ก็ได้รู้จักได้พบว่าสุขแท้อยู่ที่ใจเองหลายคนก็ก็บอกขอบคุณโรคมะเร็งขอบคุณความป่วยที่ทำให้เขาได้ได้พบกับชีวิตหรือเข้าถึงสภาวะทางจิตใจที่ไม่เคยคาดว่าจะประสบพบเห็นมาก่อนหลายคนเมื่อ ความตายใกล้ามาถึงเขาก็หันมาคืนดีกับผู้คนที่เคยบาดหมางซึ่งคนที่บาดหมางนั้นอาจจะเป็นคนใกล้อาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยาความตายก็สามารถจะเป็นสะพานเชื่อมคนรักให้คืนดีกันได้ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองความตายด้วยใจที่ไคร่ครวรด้วยสติด้วยปัญญาเราก็จะพบว่าความตายนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ใ, ให้กับตัวเราให้กับจิตใจของเราให้กับสัมบัภาพของเราด้วย ในสายพุทธการเนี่ยจะมีเรื่องราวของหลายท่านเลยที่บรรลุธรรมได้ขณะที่กําลังป่วยหนักและขณะที่กําลังจะสิ้นลมการบรรลุธรรมนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเกิดขึ้นได้ในยามที่จิตใจมีความสุขสบายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมหรือว่าอยู่ในท่ามกางทัศนียภาพที่สวยงาม อันนั้นก็มีนะแต่ว่าหลายท่านก็บรรลุธรรมในขณะที่ร่างกายถูกบีบคั้นด้วยทุกเขเวทนาในขณะที่ความตายเข้ามาประชิด ต, ตัวหลายท่านเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างเช่นพระเจ้าสุโทธทนะซึ่งก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยเจ็บปวดมากนะจงร่างพู้เจ้านี่ต้องมา ต้องมาทําเรียกว่าสัตยาธิสถานเพื่อช่วยบรรเทาความปวดสัตยาธิสถานก็คือการอาศัยความจริงไม่ใช่ไม่ใช่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยความจริงเพื่อที่จะช่วยทําให้บรรลุถึงบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าสุธอนานัเนี่ยนะได้บรรลุธรร ม, มาเป็นพระอรหันต์ หลังจากที่ป่วยหนักนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมก่อนที่จะสิ้นลมไม่นานเลยพระติสระซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายไม่แม้กระทั่งพระด้วยกันก็ไม่อยากจะเข้าไปพยาบาลเพราะว่าแผลผู้พองเต็มตัวน้องเปะเลอะเทอะจงทางพระเจ้าต้องมาพยาบาล แต่ว่ า, าพระองค์ได้ช่วยเพียบบาลเยียวยาเช็ดตัวนะเช็ดจิวซักจิวอนดูแลนะให้ทุกขเวทนาเบาบางตอนนั้นเนี่ยพระติสาก็อาการก็หนักแต่พระองค์ได้ปรารกธรรมไม่กี่ประโยคพระติสาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ในขณะเดียวกับที่หมดลมนะพระนางสมาวดีถูกไฟคลอกตายในปราสาทร่างกายดำเป็นตอตะโกแต่พระเจ้าได้ตรัสว่าก่อนที่นางจะตายเนี่ยก็ได้เป็นพระนาคามีขณะที่บริษัทบริวานอีกนับร้อย ในตำราก็ว่ามีถึงห้ารอที่ตายไปได้วยกันก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างที่เขาอุบาสกนะป่วยหนักนะแต่ว่าเมื่อมีพระสงฆ์นะภาษาวกได้มาได้มา ได้มานำทางได้มาเตือนให้เราลึกถึงพระรัตนตัดใจเราลึกถึงความดีหรือศีลที่ได้ทำที่เรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระริจเจ้าสรรเสริญแล้วก็ได้นำทางให้จิตใจละวางบอกกัว่าพอสิ้นลมผู้เจ้าพยากรว่าท่านได้เป็นอนาคามีมจะมีตัวอย่างเยอะนะฮะของของคนที่บรรลุธรรมในขณะที่กาลังจะตาย บางท่านถึงกับหมดหวังอะไรหมดอะไรตายอย่างในชีวิตข่าตัวตายแต่ก็บรรลุธรรมเพราะกลับมามีสติระลึกได้มีปัญญาเห็นธรรมว่าสังขารนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็บรรลุธรรมการบรรลุธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ทุกขเวทนาบีบคันในขณะที่ธาตุขันกำลังแตกดับแต่ว่าจิตนั้นเนี่ยเมื่อสามารถทรง ไว้ได้ด้วยสติด้วยปัญญานะก็สามารถที่จะรู้แจ้งบรรลุธรรมในสัจธรรมแล้วก็เป็นยกระดับจิตขึ้นมาเป็นพระยเจ้าก่อนที่จะสิ้นลมได้ดงนั้นความตายเนี่ยหรือในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตก่อนจะตายเนี่ยจึงมีพลัง ในการที่จะสามขับเคลื่อนให้จิตเนี่ยนะเลื่อนระดับขึ้นสู่อริยภูมิได้นะหรืออาจจะแม้จะไปไม่ถึงขั้นนั้นก็ไปสู่สุคติภูมิได้อาตมาถึงถึงได้กล่าวว่าความตายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิกฤตอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสด้วย เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความตายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวไปเสียทั้งหมดความตายที่จริงก็เป็นธรรมดานะแต่เราเป็นเพราะเราไปให้ค่ากับมันความน่ากลัวของความตายจึงไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ใจของเรานั่นเอง ความน่ากลัวของความตายอยู่ที่ใจของเราใจเราเนี่ยจึงน่ากลัวความตายนะโดยเพรใจที่วางไว้ไม่ถูกต้องจันน่ากลัวก ว, กว่าความตายมากเวลามีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดของธรรมาซึ่งเป็นวัดป่านะหลายคนเป็นคนเมืองต้องไปอยู่ในกุฏิคนเดียว ที่แอ บ, บลอนไปด้วยป่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้าหลายคนก็ไม่กล้าไม่อยากไปอยู่กุฏิคนเดียวถามว่าทาไมถึงไม่ไปเขาบอกเขากลัวกลัวอะไรกลัวผีกลัวสิงสาราสักดิ์ต่อมาก็บอกว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีใครเคยถูก ง, งูกัด มีเท่าที่ประวัติตั้งตั้งวัดมา30สีิปีก็มีคนเดียวที่ถูกงูกัดแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือใจของเรานั่นแหละใจของเรานี่ยแหละน่ากลัวที่สุดเพราะใจเราเนั่นแหละจะปรุงแต่งใบไม้ตกกิ่งไม้หักก็คิดว่ามีผีมีสัตว์ร้ายมาหลอก บางทีหนูเนี่ยหน้าหน้าแรงเนี่ยหนูเนี่ยมันเดินรอบกุฏิเนี่ยใบไม้แห้งเนี่ยคนก็จะเข้าใจไปว่าหรือได้เป็นนึกภาพว่ า, วามีคนมาเดินรอบกุฏิหมายจากปทุสราย้วปรุงแต่งทั้งนั้นนะแลวปรุงพอปรุงแต่งแล้วเป็นไงก็กลัวนอนไม่หลับมันมาจากไหนมันมาจากใจของเราใจที่ปรุงแต่ง ในกรณีความตายก็เช่นเดียวกันไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยก็คือใจของเราหรือทัศนคติของเราต่อความตายเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากล่าวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายนะความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายแล้วเรากลัวตายเพราะเราไม่รู้จักความตายดีพอนะแต่ถ้าเรารู้จักความตายดีพอนะ เรือย่างน้อยเนี่ยการที่เราได้ได้ประสบสัมผัสกับสิ่งนี้อยู่หรือการเระเลิกนึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำก็ช่วยทำให้เราเกิดความคุ้นชินแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลัวความตายน้อยลงและเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อเราลึกนึกถึงความตายอย่างถูกต้องมันจะก่อเกิดความเปลี่ยนแปลง ในจิตใจเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตจะเบาลงนะไอ้ที่เคยยึดเคยเคยติดก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นที่เคยประมาท ก, ก็จะกลับตื่นตัวและนขนวควใส่ใจไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ไม่ปล่อยให้ ชีวิตที่ยังมีสุขภาพดีศูนย์เปล่าโดยไร้ประโยชน์นะตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พุทธเจ้าเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ามรณัสติหรือมรณ า, านุสตินะมีหลายชื่อเรียบางท่านก็เรียกมรณะสตินะ มรณาสติเนี่ยอาจดูเพลินเผลิเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกับการเจริญสติปัฏฐานนะฮะพวกเราที่ได้ศึกษาทรมาบ้างก็จะรู้ว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเป็นหัวใจของการเจริญกรรมฐานแบบพุทธไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นวิวปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นวิธีการที่สามารถที่จะช่วยบรรลุให้ได้รับผลสำเร็จจากสมถะและวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานโดยโดยหลักการก็คือการที่รู้กายรู้ใจลงไปในปัจจุบัน เมื่อเจริญสติปัฏฐานเราก็จะอยู่กับปัจจุบั น, เ, นเราจะไม่พัดเข้าไปในอดีตหรือหลงไปในอนาคตจะอยู่กับปัจจุบันครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบั น, นยอย่าไปอาลัยในอดีตหรือกังวลกับอนาคตแต่มรรคสติเนี่ยจะไม่เหมือนกับ สติปฐานอย่างน้อยก็ตรงประเด็นที่ว่ามราณาสตินี่คือการระลึกนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าไม่ใช่ปัจจุบันนะมราณาสติคือการระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่มราณานง่นี้ก็เหมือนกับการไปอยู่กับอนาคตแต่ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อระลึกนึกถึง เมื่อนักสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าปัจจุบันมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายในวันข้างหน้าเราก็จะเห็นคุณค่าของปัจจุบันเห็นคุณค่าของวันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่หรือเปล่าเราก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเกิดความกระตือรือร้นที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อเราเมื่อเราพบปะกับเพื่อนเพื่อร่วมงานเมื่อเราได้พูดคุยกับลูกถ้าเราตระหนักว่าโอกาสแบบนี้อาจจะไม่มีในวันข้างหน้าหรืออาจจะไม่มีโอกาสเลยในวันพรุ่งนี้ก็ได้นี่อาจเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของเรา เราก็คงจะไม่พูดตามใจปากเราก็คงจะไม่เพิกเฉยละเลยความรู้สึกของเขาเราจะให้ความสำคัญกับเขาเราจะนุ่มนวลอ่อนโยนระมัดระวังคาพูดของเรา เราจะไม่พูดหรือระบายอารมณ์อย่างที่เราเคยทำเราจะใส่ใจฟังอย่างใส่ใจใส่ใจความรู้สึกของเขามากขึ้นอันนี้ก็คือช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราคุยกับเพื่อนก็ตามใจเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนเลยใจเราก็อาจจะอยู่กับสิ่งอื่นอาจจะง่วนอยู่กับงานนะ อาจจะ ก, กังวลอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเราอยู่กับเขาแต่เราไม่ได้ใส่ใจเขาแต่เมื่อเราตระหนักว่านี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายนะเราจะใส่ใจเขามากขึ้นก็ช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยช่วยทให้เราเนี่ยราลึกได้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดในขณะนี้อันนี้คือการพา พาชีวเรากลับมาสู่กับปัจจุบันจริงๆนะฮะมนัสเตอเร่ e er ให้ทําให้เราสามารถที่จะใส่ใจกับแต่ละขณะแต่ละชั่วโมงแต่ละวันกับผู้คนที่เราเกี่ยวข้องแล้วก็กับตัวเราเองด้วยเนี่ยได้อย่างใส่ใจอย่างให้ความสําคัญมากขึ้นนะ มันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตสติเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าความไม่ประมาทอัปมาทธรรมและความไม่ประมาทนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการที่เราเลอกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเราด้วยรวมทั้งความไม่เที่ยงของชีวิตผู้อื่นที่เรารักนะปจเจมโอวาตนะของพระพุทธองค์ก่อนที่จะปริยณิพานนะ ท่านก็เน้นตรงนี้เลยนะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คือว่าในที่สุดเราก็ต้องตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เจริญความไม่ประมาทเอาไว้ไม่ประมาทคือความข้นควายทําสิ่งที่ดีที่ ใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ยามากที่สุดตอนนี้เนี่ยอาอตมาก็จะมาลงรายละเอียดสักหน่อยนะเวลาพูดค า, ามราณาสติเนี่ยนะมันหมายความว่าอะไรบ้างการเจรมราณาสติอย่างถูกต้องหมายถึงอะไรจะมีอยู่สองส่วนนะมราณาสติอันที่หนึ่งคือการพิจารณาถึงความตายของเรานะฮะ ไม่ใช่ของคนอื่นการพิจารณ์ถึงความตายของเราว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นี่คือข้อแรกคือการพิจารณาใครควรถึงจะทำความจริงที่เกี่ยวกับตัวเราว่าเราจะตายอย่างแน่นอนแต่เมื่อไหรไม่รู้ แต่พิจารณาเพียงเท่านี้ยังไม่พ อ, อยังไม่ครบถ้วนต้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่อเราจะตายแต่เราไม่รู้วจะตายเมื่อไหร่ถ้าเกิดจะตายคืนนี้จะเกิดจะตายวันนี้เราพร้อมไหมที่จะตายเราทำความดีไว้มากพอเราได้สร้างสมบุญกุศลได้มากพอสำหรับชีวิตนี้แล้วหรือยัง เราได้ทำในความเราได้ทำความดีคุ้มค่ากับการเกิดมาในโลกนี้หรือยังนะถามก่อนครับว่าเราหนึ่งเราพร้อมจะตายไหมเราทําความดีมากพอหรือยังเราทําหน้าที่เราทําสิ่งทีส่สมควรทําแล้วหรือยังอันที่สองเราพร้อมจะจากคนรักจากทรัพย์สมบัติ จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักรวมทั้งจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสำคัญบ้านหมายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วหรื อ, อยังคือร่างกายนี้ชีวิตนี้นี่เป็นคำถามอีกข้อหนึ่งมีสองส่วนนส่วนแรกเป็นเรื่องศัจธรรมความจริงว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนและตายเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะมาอาจจะมารอยอยู่ตรงหน้าแล้วก็ได้นี่เป็นเรื่องศัจธรรม ก็ที่สองเนี่ยก็ถามทบทวนว่าเราพร้อมจะเราทำความดีมามากพอหรื อ, อยังนะและเราพร้อมที่จะจากไปหรื อ, อยังจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนะถ้าถ้ามรณาสติเนี่ยพิจารณาแต่เพียงส่วนแรกก็คือส่วนที่ว่าเป็นเรื่องความตายของเราให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน แล้วหยุดเท่านั้นเนี่ยมันไม่พอนะบางคนก็อาจจะเกิดความหดหูขึ้นมาหดหูว่าชีวิตนี้มันน่ากลัวเหลือเกินนะมันจะไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากอาจจะมีแต่แค่ความรู้สึกหดหูจะต้องคร่ครวนถึงข้อที่สองหรือส่วนที่สองก็คือว่าแล้วเราจะทาอะไร แล้วเราควรจะทำอะไรนะก็คือหนึ่งทำความดีเร่งทำความดีเร่งทาหน้าที่ในขณะที่ยังมีเวลาในขณะที่เรายังมีเวลาและในขณะที่คนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่กับเราจะเป็นพ่อแม่จะเป็นครูบาจะเป็นจะเป็นลูกก็ตาม ส่วนที่สองเนี่ยสำคัญเพราะมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการวางใจได้อย่างดีถ้าเรารู้สึกว่าเรายังทําความดีไม่พอเราก็ได้คนไข้ทำความดีมากขึ้นถ้าเราตระหนักว่าเรายังมีหน้าที่การงานที่ยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะได้รีบทำหน้าที่การงานทั้งต่อคนที่เรารักและรวมทั้งต่อตัวเราเองด้วย ต่อคนที่เรารักเช่นเราได้เราได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่รูปของเราแล้วหรือยังสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะแต่เป็นวิชาความรู้รวมทั้งความเข้าใจในชีวิตรวมทั้งการตรหนักถึงความจริงพื้นฐานของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงความตายเป็นธรรมดา ตรงนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงความตายในช่วงในช่วงบางขณะที่รู้สึกเรารู้ถึงความตายอาจจะวันไหวแต่ความว่างวามันก็ดีเหมือนกันทำให้เราเรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีความค้นควายเพราะคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเราไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาเราทำด้วยแรงขับเคลื่อนของอารมณ์เราทำด้วยความกลัวเราทำด้วยความอยากเราทำด้วยความ ความโกรธการที่เราเกิดจิตที่วันไหวเมื่อเราลึกถึงความตายสงสารลูกอาลัยพ่อแม่ก็ทำให้เราเนี่ยเร่งขวนขวายทำหน้าที่ต่อท่านต่อลูกนะที่เคยใช้เวลาไปกับการทำมาหากิน การเชื่อ เ, เตก็จะเกิดสติขึ้นมาแล้วก็ตั้งหลักได้หันมาให้เวลากับลูกพูดคุยให้คำแนะนำคำสอนเพื่อทำให้ลูกเนียสามารถที่จะดำเนินชีวิตในโลกได้อย่างเป็นคนดีมีความสุขเป็นต้นนะฮะ ในขณะเดียวกันนะนอกจากทำกับผู้อื่นแล้วเราก็จะได้หันมาทำกับตัวเองด้วยเช่นว่าให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเวลาจะมาถามทำแบบฝึกหัดนะให้คนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะต้องตาย ภายในสามวันให้เขานอนเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เขาระลึกถึงความตายโดยอาศัยจินตนาการแล้วก็ให้เขาแล้วก็ถามเขาว่าถ้าเกิดว่าขณะที่เขาใกลจะตายอยู่แล้วเนี่ยเขากลับมามีลมหายใจขึ้นมาใหม่แล้วก็มีเวลาอีกสามวันเนี่ยเขาจะทำอะไรส่วนอยากจะพูดคล้ายกัน กลับไปหาพ่อไปขอขมาเพื่อนปฏิบัติธรรมไปบวชนะมีบ้างที่บอกว่าจะไปกินอาหารร้านอร่อยครั้งสุดท้ายนะแต่นั่นเป็นเด็กๆนะวัยวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะบอกเนี่ยนะจะเข้าวัดจะไปทําบุญจะไปขอขมาพ่อแม่คนหรือคนที่ ผิดใจกันทุกคนจะพูดคลายกันคำถามก็คือว่าทำไมคุณต้องรอสามวันก่อนจะตายทำไมคุณไม่ต้องไปทาตั้งแต่เดี๋ยวนี้อ่ะเพราะคุณไม่รู้จริงๆเลยว่าในชีวิตจริงคุณจะมีเวลาสามวันคุณจะรู้ว่าคุณจะมีเวลาล่วงหน้าสามวันก่อนตายหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะฮะทำไมไม่ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ หลายคุณก็บอกว่าที่ไม่ไทำต่เดี๋ยวนี้เพราะมันมีอย่างมันมีอย่างโ น, น้นมันมีอย่างนี้มีงานการมีอะไรอะไ ร, อะไรต้องหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถจะทำอย่างที่ว่าได้หรือคิดว่ายังมีเวลาไอ้ความความคิดว่ายังมีเวลาเนี่ยยังไม่ต้องรีบทำก็ได้นะขอเข้ามาก็ไว้ก่อนเรื่องพ่อหรือแม่ก็ไว้ก่อนนี่คือความประมาท มีพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพราบว่าตัวเองนี่เป็นมะเร็งนะอาการก็อาการหนักเรื่อยๆแล้วก่อนตายไม่กี่ไม่ไม่กี่ไม่ไม่กี่เดือนก็เขียนบอกว่าเนี่ยเพราะยอมแล้วว่าเขาผิดพลาดไปเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเขาจบจากนอกใหม่ๆเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเขาจะ ทำงานให้เต็มที่ยี่สิบปีเพื่อจะได้มีเงินให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่ให้กับลูกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะวางมือแล้วก็จะมาให้เวลากับครอบครัวลูกซึ่งกําลังลูกสองคนลูกสาวลูกชายที่กําลังโตก็จะไม่ให้เวลากับลูกเพราะเาก็ทํามาได้แค่สิบกว่าปีเนี่ยก็ทํางานหนักมากเขาเป็นคนที่นิสส์นะ เป็นคนที่นุ่มนวลแต่เขาเครียดกับงานการเขาทำได้สิบกว่าปีมาเลงก็ถามหาเขาก็กลายเป็นว่าไอ้ที่คิดว่าจะทำให้ถึงยี่สิบปีก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นมาเลงแล้วก็ทำงานหนักไม่ได้แล้วและที่หวังว่าเมื่อครบย0สบปีแล้วจะได้มีเวลาเต็มที่กับลูกก็เป็นอันว่าทำไม่ได้เพราะเขากาลังจะตายเขาบอกว่าถ้าเขามีเวลาถ้าเขามีเวลาเหลืออยู่ มาก่อนนี้เขาขอเวลาที่จะอยู่กับลูกเพราะเขาแทบไม่ได้อยู่กับลูกแล้วยตอนที่เขาทางานหารูกหามขํามาสิบกว่ปีเนี่ย <c oughs> คือเขาเขาคิดนะว่าเรื่องลูกเนี่เอาไว้ก่อนไงเพราะว่ายังมีเวลาตอนนี้นะต้องรีบทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้เกิดฉเฉลียวใจหรือตระหนักว่าความตายมันไม่แน่นะ ใครก็ตามที่เรารึกถึงตรงนี้เนี่ยก็ย่อมจะเกิดสติถ้าเลลึกจริงๆนะไม่ใช่แค่เลลึกในสมองนะแต่ว่ารู้สึกตระหนักจริงๆด้วยอารมณ์ด้วยก็จะรู้เลยว่าการที่ไปคิดว่าทำงานยี่สิบปีแล้วที่เหลือจะมีอะไรกับลูกเนี่ยเป็นความคิดที่ถือว่าประมาทนะก็จะมาใ ห, ให้เวลากับเรื่องครอบครัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งงานการนะฮะ แต่ก็อาจจะไม่ต้องหามรุ่มหามค่ำแบบนั้นก็ได้นะ น, นี้คือการพิจารณาสติถ้าเราเ ล, ลึกถึงเรา ล, ลึกถึงว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราถามตัวเองว่าเราทำหน้าที่ที่ที่สมควรทำได้เสร็จสิ้นหรือยังเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความกระตือรือล้นเรียกว่าเกิดความขนไควในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อน เราหน้าติดทำให้เราข้นขว้าในสิ่งที่เราชอบผัดน์ผ่อและสิ่งที่เราชอบผัดพ์ผอนนี่หลายอย่างเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ทําไมเราผัดน์ผ่อนเพราะมันไม่มีเส้นตายเรื่องการปฏิบัติทําไม่มีเส้นตายเรื่องการไปการมีเวลากับพ่อแม่ไม่มีเส้นตายการมีเวลาให้กับลูกนี่ไม่มีเดทไลน์มันเหมือนการทํางานนะการทํางานมีเส้นตายตลอดเวลา การไปเที่ยวก็มีเส้นตายไฮซีซันโลซีซันหรือว่าจะไปซื้อหนังสือก็ต้องนะก็ต้องรีบไปให้ทันก่อนเขาหมดหมดเทศกาลจะไปบางทีมีเส้นตายเกี่ยวเทศกาลลดของลดราคาก็ต้องรีบไปเส้นตายบางอย่างไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันมีกำหนดก็ทำให้เราต้องทิ้งอย่างอื่นไปก่อนที่ยังผัดผ่อนได้ ชีวิตคนสมัยใหม่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วย เ, เส้นตายก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่สําคัญบางอย่างที่ไม่มีเส้นตายไม่มี d ด a d l i n ก็เลยผัดผ่อนออกไปเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราลึกถึงความตายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราสูกว่าเฮ้ยจะผัดผ่อนไปไม่ได้นะการจัดระดับความสําคัญในชีวิตเราจะเปลี่ยนใหม่ แทนที่เราจะเอาเวลาไปเที่ยวเอาเวลาไปเที่ยวห้างจิงอยู่นะมันจะห้างเทศกาลลดราคามันจะนะหมดคืนนี้แล้วนะแต่มไม่สําคัญเนี่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะให้เวลากับลูกกับคนรักของเราเพราะเราไม่รู้เขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะหรือว่าปฏิบัติธรรมนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมากระทบ ชีวิตของเราที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พร้อมในการที่จ ะ, ะเผชิญวิกฤตนะการจัดรับความสาคัญจะมีมากขึ้นนะและเราก็จะทำในสิ่งที่สาคัญแม้ว่าจะไม่มีเส้นตายงนั้นคุณประโยชน์อย่างแรกของการเจริญมรณาสติก็คือว่าทำให้เราขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดพอนแลวประการต่อมาเนี่ย มันช่วยทําให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดอย่างที่อาตมาได้ได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าเ mm. มื่อเราเมื่อเราเจริญมรรคสติเนี่ยเราไม่เพียงแต่พิจารณาว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนจะ ต, ตายเมื่อไหร่ไม่ทราบเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องความจริงแต่เราจะมาลงมาถึงขั้นปฏิบัติการด้ว่าแล้วเราทําความดีมาพอหรือ ย, อยังอันนี้ก็พูดไปแล้วประการต่อมาคือว่าเราพร้อมจะจากคนรักของเราหรือ ย, อยัง เราพร้อมจะไปด้วยใจสงบได้ไม่มีอะไรที่ค้างคาใจหรือว่าไม่มีอะไรที่กังวลหรือเปล่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราในที่เราจะตายเนี่ยเรามีเรื่องค้างคายังมีเรื่องห่วงกังวลยังมีเรื่องที่ติดยึดอยู่เนี่ยมันก็ไปไม่สงบแต่คนเรามีอะไรที่ต้องติดยึดแหละนะก็มีทรัพย์สมบัติมีลูกมีพ่อแม่มีคนรักเป็นต้นเมื่อเรารล่ถึงความตาย หลายคนจะทําใจไม่ได้เมื่อเราลึกว่าจะต้องจากลูกจากคนรักไปแต่ถ้าจะต้องตายจริงๆเนี่ยไอ้ความอะไรความเสียใจมันไม่เคยมันไม่ช่วยอะไรเลยเพราะอะไรแค่ไหนเสียใจขค่ไหก็ไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยร อ, อดพ้นจากความตายได้มันมีแต่อย่างเดียวคือว่าจะต้องวางทําใจหรือว่าตัดใจนะ ในเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะวางทุกอย่างเมื่อคนที่จะเดินทางไกลนะเราจะจะไม่แบกสัมภาระมากเมื่อเราล่ำลาผู้คนเรียบร้อยแล้วเราก็ไปด้วยใจที่เบาสบายแต่คนจานวนมากไม่สามารถจะไปด้วยใจที่โปร่งเบาสบายเบาสบายได้เพราะเขายึดติดกับสิ่งต่างๆมากเหลือเกินเขายึดติดทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วเขาก็ยึดติดในขาที่เขากำลังจะตายเขาปล่อยวางไม่ได้การปล่อยวางเป็นสิ่งต้องต้องฝึกนะฮะแล้วต้องเรียนรู้เมือม่อเมือ่อการมราณาสติเนี่ยพิจา ร, ราณาสติไม่ช่วยทำให้เราเรียนรู้ที่จะตระหนักว่าเรามีอะไรที่ยังยึดติดไม่ได้และมีอะไรที่เรายังยึดติดแล้ว ย, ยังปล่อยวางไม่ได้ หลายคนที่ที่ได้ทํำรอนัสเติเนี่ยแล้วเขาร้องไห้เวลาที่เขาเราลึกถึงความเราลึกถึงลูกเราลึกถึงคนรักเราลึกถึงพ่อแม่เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาถามตัวก็คือว่าแล้วเขาจะฝึกการปล่อยวางได้อย่างไรนะฝึกการปล่อยวางจะนึงเกิดขึ้นจากการที่ทําหน้าที่กับเขาอย่างดีที่สุดถ้าเรา ถ้าเราได้มีได้ทําหน้าที่กับลูกได้ทําหน้าที่กับพ่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยการปล่อยวางก็เป็นไปได้ง่ายหลายคนก็หันมาให้เวลากับการพูดคุยกับลูกรวมทั้งการพูดให้รู้ให้ลูกรู้ว่าแม่หรือพ่อนี่อาจจะอยู่กับลูกได้ไม่นานนะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้าลูกยอมรับเข้าใจเรื่องความตาย ลูกไม่ทุกข์เมื่อแม่ต้องจากไปแม่ก็สบายใจแม่ก็ปล่อยวางได้นะเพราะฉะ น, นี้การจุรมนัสติเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้ได้ได้ให้ความสำคัญกับการปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดนะ เราบางทีเราไม่รู้นะว่าเรายึดติดอะไรจนกว่าเราจะได้ลองพิจารณาความตายหรือลองซ้อมตายดูเราก็จะรู้ว่ามันมีบางอย่างที่เรายังค้างคายู่ติดอยูนะ่นั่นเราจะเห็นความจําเป็นในการที่จะฝึกใจให้ปล่อยวางให้ได้นะไม่ใช่เฉพาะปล่อยวางในสิ่งที่เรารักนะฮะ แต่รวมถึงปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่รักด้วยหลายคนเนี่ยเวลาเวลาจะตายเนี่ยเขาตายไม่สงบเพราะเขามีสิ่งค้างขาดใจเขามีความรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดที่ไดก้กระทำบางอย่างที่ไม่ดีกับใครบางคนบางคนนอนแล้วก็ตาค้าง สัญญาณชีวาตกไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมไม่ยอมตายตาค้างบางคนตายแล้วเนี่ยตาก็ยังเปิดอยู่จนกระทั่งยาเนี่ยมาจุดทู่แล้วก็บอกว่าลูกนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกคนเล็กนะไม่ต้องเป็นห่วงนะป้าจะดูแลให้เขามีลูกอยู่3ามสี่คนสองคนติดยาเข้าคุก ปวสุดท้องสิบขวบไม่รู้จเป็นตายแลดียังไงตายก็ตายไม่ได้แต่ต้องตายพอสังขารไม่อํานวยแล้วก็ตาก็เปิดแต่พอญาติจุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงนะจะดูแลให้บอกว่าไอ้ที่ตาค้างอยู่เป็ น, ปนคืนนะ่ะตั้งตายตายสามทุม่มเจ็ดโมงเช้ายังไม่ยังไม่ปิดเนี่ยพอจุดธูปแล้วเนี่ยปิดตาก็ปิดได้สนิท บางคนตาค้างนะพอรู้สึกผิดที่ได้ทำไม่ดีกับเพื่อรุ่นน้องพอเขามาเยี่ยมก็รวบรวมกำลังเนี่ยขอโทษที่ไปเข้าใจเขาผิดว่าเขาเป็ น, ปนกิ๊กกับแฟนทำไม่ดีกับเขากลั่นแกล้งเขาแล้วก็มารู้ความจริงว่าไม่ได้มีอะไรกันเลย แต่ตายก็ยังตายไม่ได้เพราะยังรู้สึกผิดตอนทีได้เห็นหน้าของรุ่นน้องคนนั้นแกก็กรวบลวขันกล้ารววกำลังเนี่ยขอโทษอีกฝ่าก็ให้อภัยบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็พอได้ให้อภัยความรู้สึกผิดมาลายหายไปก็ไปได้นะคือจะมีตัวอย่างแบบนี้เยอะคนที่ยังมีอะไรที่ยังยึดเอาไว้อยู่ มันไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่เราลักเช่นลูกหลานพ่อแม่แต่สิ่งที่เราไม่ลักสิ่งที่มันทิ่ ม, ทมแทงใจคือความรู้สึกผิดเนี่ยรวมทั้งความโกรธด้วยเราก็ไม่ยึดนะเราเออเราก็ยึดนะเราไม่ยอมปล่อยนะในในวันธรรมดาในชีวิต ป, ปกติเราก็ยังปล่อยเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดเอาไว้เราจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเวลาเรากโกรธเวลาเรากเกลียดแต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้เนี่ยถ้าเราตายตอนนั้นเราก็ไปสู่อบาย มรณะสติมันเตือนให้เราเนี่ยเราลึกว่าคุณต้องปล่อยนะไอความโกรธความเกลียดเนี่ยเพราะถ้าคนไม่ปล่อยเนี่ยนะถ้าตายตอนนั้นก็มีนรกเป็นเป็นที่สุดนะการระลึกที่เช่นนี้เนี่ยก็ทําให้ใจเนี่ยปล่อยวางง่ายขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยที่โกรธทะเลาะ ก, กับเพื่อนมาแล้วก็โมโหฉุนเฉียว บางทีมันก็ไม่เป็นเรื่องอะไรเท่าไหร่จะ่โกรธโมโหมากแต่พอม า, าลึกได้ว่าเฮ้ยไม่นานเราก็ต้องตายนะคนเราพอเราลึกว่าจะต้องตายขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องทะเลาะ ก, กับเพื่อนนี่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อเราลึกว่าสวรรค์เราต้องตายเนี่ย ไอ้เรื่องอื่นมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะทะเลาะ ก, กับเพื่อนวิวาดบานมัน ก, กับเพื่อนมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยบางคนก็ระลึกได้ว่าเราจะต้องตายจากกันแล้วจะไปทะเลาะ ก, กันทาไมนะจะกลายเป็นเรียงเป็ น, ป น, ปนกรรมกันแบบป่า ก, ก็ก็วางได้เหมือนกันหการรื้อลืมความตามันช่วยทําให้เราวางไอ้สิ่งที่มันกินใจทิ่มแทงใจเราได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราชอบยึดติดนะ เราเกลียดอะไรเรายิ่งชอบยึดชอบติดนะลองสังเกต ด, ดูเราเกลียดใครเนี่ยเราก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นมีงานเลี้ยงคนเป็นร้อยแต่ถ้าเกิดคนที่เราเกลียดเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนั้นเนี่ยตาเราจะไปปักอยู่ตรงนั้นเลยถึงคนคนนั้นเลยเขาจะเดินไปไหนเราก็สอดสายดูเขาเราคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็หันไปมองเขาอีกเรามองก็เป็นทุ่งนะแต่ทําไมมองมันมีแรงดึงดูดมันมีความยึดติด ยิ่งเกลียดในใจนึงก็ยิ่งผลักใสแต่อีกใจนึงก็ไปกอดเอาไว้มีคนนึงเนี่ยนะแกเป็นเชียร์เสื้อเหลืองนะไม่ชอบน้องสาวที่ชอบดูโทรทัศน์ข่าวการชุมนุมของเสื้อแดงก็ไปบน่นก็ไปบวย น, น้องสาวว่าดูทําไมไอ้พวกนี้ไม่พอใจน้องสาวที่ไปดูข่าวเสื้อแดง แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาน้องสาวก็เห็นพี่สาวคนนี้แหละนั่งจ้องโทรทัศน์ดูรายการของคนเสื้อแดงดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปคือเขาทุกข์นะที่เขาเห็นเห็นข่าวแต่ทุกแล้วทำไมไปดูมันทําไมใช่ไหมยิ่งเกลียดก็ยิ่งอยากดูนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะอะไรที่เราเกลียดเนะี่ยเรายิ่งยึดนะมันไม่ใช่ว่าแค่เราผลักอย่างเดียว แต่เมื่อใดก็ตามที่เราล้นนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นนะไอ้เรื่องที่เราเกลียดเรื่องที่เราชิงเรื่องที่เราชังเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยปล่อยวางได้หรือไม่ก็ปล่อยวางก็เพราะกลัวว่าไอคา้ความความโกรธความเกลียดเราด้า น, นเนี่ยจะมันจะฉุดฉุดใจไปสู่อบายนะ เวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยเวลาเรามีความไม่พอใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งมีปัญหาเรื่องงานเรื่องการรู้สึกงานล้มเหลวรู้สึกรู้สึกเป็นทุกข์กับคำตำหนิรู้สึกเป็นทุกข์ำำ ก, ก, กับการสูญเสียของหายโทรศัพท์หายนะลองนึกถึงความตายดูบ้าง ลองนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราดูบ้างอาตมาช่วยหรือว่าไอ้เรื่องเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะเพราะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความตายในความรู้สึกของคนทั่วไปอยู่แล้วนะแต่อย่างที่อาตมาบอกคือคนร้อนนี่มักจะอยู่แบบลืมตายเราก็เลยไปติดใจกับเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่อง นะเป็นทุกข์กับเรื่องหาที่จอดรถรถติดนะมีคนหนึ่งเขาบอกนักเขียนอเมริกันคนนึงบอกตายไม่ยากหาที่จอดรถแต่ยากกว่านะพูดด้วยความประมาทนะถึงเวาลาตายจริงก็จะรู้ว่าเรื่องหาที่จอดรถไม่ได้นี่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากแต่เราก็เป็นทุกข์กับเรื่องแบบนี้แหละคนสมัยใหม่นะ คุณลองนึกถึงความตายคุณรู้เลยว่าโอ้ยไอพ้พวกนี้มันจิบจอยเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนี้ไม่มีความหมายเลยใช่มมันวางได้แต่เราวางไม่ได้นะเพราะเราไปอยู่กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องจิบจอยมากเกินไปเราลืมเรื่อง ส, สิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของชีวิตและเรื่องนี้คือเรื่องความตายนะพอเราเลกถึงนี่อะไรอะรนี่มันมันเบาหมดเลย มีพระท่านหนึ่งท่านหนึ่งเขียนไว้ไงว่าเราลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทําให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจเราลึกถึงความตายสบายนะโอ้พอเราลึกแล้วมันมันเบามันไม่ใช่หดหูนะฮะมันมันทําให้เราปล่อยวางไปได้เยอะเลยไอ้ที่เคยทุกข์กับเรื่องงานการที่เคยทุกข์กับเอ กับคนโน้นคนนี้ที่เขาได้โบนัสมากกว่าเราเขามีเงินมากกว่าเรามันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเล่านะบอกว่าทุกคืนเนี่ยเพียงแค่ได้เห็นสามีและลูกมากินข้าวพร้อมหน้าหรือได้มาอยู่พร้อมกันในบ้านเนี่ยแกมีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะแกไม่รู้เลย ว, ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่านะคือ ไอความอยากได้ใครดีหรือเป็นทุกข์กับเพราะความอยากได้ใครดีมันมันมันมันหลุดไปเลยอ่ะแล้วก็สึกว่าพอใจแล้วกับสิ่งที่มีอยู่เพราะเราไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่มีอยู่เนี้ยมันจะสูญไปเมื่อไหร่คนเราเนี่ยมักจะไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีเรามักจะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีหรือที่คนอื่นเขามีกันแต่เรายังไม่มีเ้ามีอย่างเงินเราไม่มีเราเป็นทุกข์มากคนเป็นทุกข์เพราะเห็นนี้มาก แล้วก็เลยไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสักทีทั้งที่ตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่พรอใจไปอยู่ข้างนอกนงี้ยฮเราก็เลยลืมมองข้างสิ่งที่เรามีแต่มโนสติมันเตือนให้เราเนี่ยหานมาสนใจกับสิ่งที่เรามีเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะสูญไปเมื่อไหร่คนเราเนี่ย จะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเสียไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าของของสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในอยู่สองช่วงด้วยกันนะคือหนึ่งตอนที่เรายังไม่ได้มันมาจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นจะเป็นคนรักก็ตามเนี่ยนะหรือรถยนต์ถ้ามันยังอยู่ถ้ามันยังวางขายอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้มาเราจู้จี้มันมีคุณค่ามากอยากจะอยากจะหามาให้ได้คนรักก็เหมือนกันนะฮะแต่พอเป็นแฟนหรือแต่งงานไปแล้ว ก็จะเริ่มความสำคัญก็จะเริ่มน้อยลงจะเริ่มมีความสำคัญแบบก็คือว่าหายไปโทรศัพท์แว่นตาเราก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับมันนะพอหายเนี่ยโอยเดือดร้อนเลยอากาศที่เราหายใจเนี่ยมีใครที่รู้สึก ว, ว่ามันมีคุณค่าบ้างไม่ค่อยมีนะต่อเมื่อไม่มีอากาศหายใจเราถึงจะรู้สึกว่าโหมันมีคุณค่าเหลือเกินเราเคยเห็นคุณค่าของมือสองข้างนี้ไหมของเท้าสองข้างนี้ไหม เราเคยมีเวลาที่จะชื่นชมขอบคุณมันมเราไม่มีนะเพราะเราไปสนใจอย่างอื่นแต่เมื่อแต่เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วเราจะนึกถึงเขาทุกวันเลยเนี่ยนึกถึงมือนึกถึงเท้าทุกวันเมื่อวันที่เราเสียสิ่งนั้นไปหรือเมื่อมันเกิดแผลงมันเกิดพลิกยกไม่ได้แต่ทำไมาเราต้องมาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อมันจากไป ทำไมเราไม่เห็นคุณค่าขณะเชียงอยู่นะเพราะเราลืมเพราะเราหลงนะการระลึกถึงเราหน้าสติว่าสิ่งที่อยู่กับเรานะั้นมันไม่ได้อยู่กับเราชั่วอยู่ไปถาวร น, นะมือสองข้างเท้าสองข้างคนรักทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้รวมนักสุขภาพร่างกายและวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะมันจะหมดไปเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีอยู่มากขึ้น นี่คุณค่าประการที่สามของมราณาสตินะเมื่อกี้ธรรมาก็พูดแล้วว่ามันเพื่อทําให้เราข้นควาาในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยึดติดประการที่สามมันทําให้เราหันมาชื่นชมให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจุบันเราจะเลิกฝันหวานกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเป็นอนาคตเพราะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีคุณค่าที่เราไม่รู้ว่าจะอยู่กับจะหายไปเมื่อไหร่าการพิจรรารณาสติเนี่ยนะ ถ้าเราพิจารณาถูกวิธีเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยโปร่งเบาช่วยทำให้ชีวิตงเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมันช่วยทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ทำให้เราขดหูน้อยลงเลยไม่ใช่ช่วยทำให้เราขดหูมากขึ้นเลยนะคนี้ถามว่ามรณาสติทำอย่างไรนะประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมรณาสติทำอย่างไรมันทาได้หลายอย่าง ที่ที่มักนิยมทำกันนะก็คือว่าก่อนนอนเราก็เราลึกถึงความตายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะแต่ตมารู้สึกว่าเพียงแค่เราลึกถึงความตายโดยการนึกเป็นคำเนี่ยเหมือนกับที่เราแผ่เมตตาเราแผ่ด้วยคำว่าสเปสตาเนี่ยพอทำไปนานๆเนี่ยมันมันกลายเป็นความจำเจบางทีเราแผ่ไปแต่ใจเราไม่รู้อยู่ไหนละเพราะมันทำทุกวัน ตอนที่เราถึงความตายเช่นพิจารณาว่าสัพเพสังขารานิจาร์ไ ม, มีบทสวดมนต์ใช่ไหมฮะบทพิจารณาสังขารนิบาสพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรม น, นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปพิจารณาแบบนี้ก็ดีนะฮะแต่ว่าบางทีพอทําไปนานๆเนี่ยก็จะชินชาอาตมาครับบางทีเราต้องต้อง จดมานาสติคล้ายๆแบบที่เรียกว่าซ้อมตายดูบ้างซ้อมตายมันก็ว่าเมื่อเรานอนนอนแล้วเราพิพจรารณามันก็ว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปคืนนี้นะถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าการจรินตการของเรามันทำให้เราเรียกว่าอินนะใช่ว่าอินอินเข้าไปกับกับสิ่งที่าจิานตการเนี่ย และพอมาถึงจุดที่เรียกว่าเราพร้อมจะจากคนที่เรารักไปหรื อ, อยังเนี่ยมันสำหรับคนที่ยังมีความยึดติดยังมีความห่วงหาอะไรเนี่ยก็จะเกิดความผวาความกลัวขึ้นมาสำหรับบางคนที่รู้สึกว่ายังทำอะไรได้ชีวิตนี้ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันมีคุณค่ายังมีสิ่งที่ค้างคาหลไรอย่างที่ไม่ได้ทาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ายังตายไม่ได้มันจะรู้สึกขึ้นมามันจะฟ้องมันจะอุทธร์ขึ้นมา ก็จะทําให้เราได้เห็นแล้วว่าโอ้เรายังมีการบ้านที่ต้องทำนะผู้นิชาเนี่ยต้องมาเร่งทําสิ่งนี้หรือฝึกใจปล่อยวางสิ่งนั้นนะการซ้อมตายก็ทําได้ซ้อมตายได้หลายอย่างนะเช่นว่าถ้าซ้อมตายว่าเราทําความดีพอหรื อ, อยังเนี่ยเราก็จะนึกถึงงานศพของเราถ้าเราจะเราเราพร้อมจะตายเราพิจารณาก็ร่างกายเรากาลังจะแข็งทื่อ ลมหายใจกำลังจะหมดร่างกายของเราก็กลังจะจะที่เคยอุ่นก็กำจะเย็นนะย่ะยิ่งนึกถึงร่างกายของเราที่อยู่ในในโรงในงานศพนึกถึงงานศพของเราถามต่อไปว่าเราอยากให้เพื่อนเขาพูดถึงเราอย่างไรอยากให้เพื่อนเขาชื่นชมสรสรเสริญเราว่าเราเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนดีนะใครๆก็อาจจะนึกแบบนั้น แล้วถามต่อไปว่าแล้วเราได้ทําดีให้เขาควรแก่การที่เขาจะสารเสด็จเราหรื อ, อยังนะอันนี้มันช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความตระหนักว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทําอยู่หรือเปล่าบางคนเวลาคิกว่าจะตายเนี่ยก็รู้สึกหวาดภาวาเพราะว่ายังทําความดีไม่พอกลัวตายเพราะยังทําความดีไม่พอกลัวตายเพราะยังทําในสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายทําในสิ่งที่ไม่ดีมากมายให้การซ่อมตายมันทำให้เราเริ่ม เกิดความขวนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่นทำความดีมากขึ้นนะทำหน้าที่ของเราให้แล้วเสร็จบางคนเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงห่วงอะไรห่วงพินัยกรรมจะตายแล้วเนี่ยตายไม่ได้เพราะยังมีพินัยกรรมที่ยังไม่ได้ทามีคุณคุณ อ, อมีคุณตาคนหนึ่งเนี่ยนะแกะแกอายุเจ็ดสิบนะแล้วก็ ตายวายก็ฟอกไตเนี่ยมาเป็นสิบปีก่อนที่จะตายเนี่ยหลายเดือนทีเดียวนะก็บอกลูกๆว่าขอให้ทำพินกรรมลูกบอกจะทำอย่าเพิ่ง อ, อ, อ, อ, อ, อย่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้มันไม่ดีเป็นอัปมงคลนะลูกไม่ยอมนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพ่อไปล้างไตเนี่ยก็บอกว่าเกิดช็อกขึ้นมาตอนที่ยังพอมีสติรู้ตัวนี้ยบอกว่าขอกลับบ้าน ขอไปตายที่บ้านลูกไม่ยอมต้องการยือ้อนะแต่ยื้อได้แค่สองสาวันก็ตายคนเขาเล่านะว่าตอนที่ตอนที่แกตา ย, ยแกน่านิคิวค อ, อมวดนะไม่มีความสุขเลยแล้วก็เชื่อกันว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่นายกรรมยังไม่ได้ทำนะเป็นห่วงพี่นายกรรมนะ เนี่ยคนเวลาทำเราหน้าสติบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บางจะนึกถึงตายแล้วถ้าสีญญาายชีตายวันนี้นี่พิธีใกรรมยังไม่ทําไปทําำไงรุ่มขึ้นเนี่ยก็จะได้ตื่นตัวค้นคว้ามาทําพิธีใกรรมนะเนี่ยมันมันการการซ้อมตายเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราทําถ้าเราทํำด้วยความจริงจังเนี่ยมันช่วยทําให้เราตระหนักว่ามันมีอะไรที่เรายังยังค้างคายัยงไม่ยังไม่ทำแล้วเสร็จ นะหรือการพิจรารณาสติว่าสมมติว่าให้เราคนที่โดยเฉพาะคนที่ยึดติดในร่างกายเนี่ยถ้าเราพิจรารณาเห็นว่าเมื่อเมื่อเราจะตายเนี่ยนะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มเขี้ยวมันเริ่มพองเริ่มอื่นแล้วมันเริ่มส่งกลิ่นที่ใครที่เคยอยากจะใกล้ชิด ก, กับเราก็เริ่มถอย ห, ห่างแม้แต่จะมองก็ไม่กล้ามองพิจรารณาแบบนี้มันทําให้เราเห็นเลยว่าโหร่างกายเราเนี่มันเต็มไปด้วยอสุภะนะมันช่วยทําให้เราปล่อยวางเยอะเลย ที่เราเคยประดิษฐ์ประดอยนะปรุงแต่งร่างกายเนี่ยมันช่วยปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าการพิจารณาการเกรมอนสติเนี่ยด้วยการซ้อนตายเนี่ยเราเราทำได้หลายอย่างนะทำให้พิจารณาว่าถ้าจะตายต้องจากลูกจากคนรักไปรู้สึกอย่างไรหรือพิจารณาว่าถ้าเราจะตายแล้วอยากเราเราอยากจะให้เพื่อนเนี่ยพูดถึงเราอย่างไร แล้วเราได้ทําความดีอย่างที่เขาควรจะชื่นชมสรรเสริญเรารึเปล่าหรือว่าซ้อมตายแล้วก็เห็นร่างเรานี่มันก็ค่อยเน่าเปื่อยไปอาตมาพูดถึงวิธีการเหล่านี้ไว้ไว้ค่อนข้างจะละเอียดในหนังสือนะรา ล, ล, ลึกถึงความตายสบายนักนะแต่ว่านอกจากการทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันก็หลอดจะใช้โอกาสต่างๆเป็นเครื่องพิจารณำร่างรัตสติได้เช่นเวลาเราจะเดินทาง ขึ้นรถลงเดือขึ้นเครื่องบินพวกเราหลายคนนี่ก็ขึ้นเครื่องบินอยู่เป็นประจำให้เราพิจารณาอยู่บ้างก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าคือมีจะตกลดจะชนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงขณะนั้นเราจะเราจะทําใจอย่างไรเราจะน้อมนึกถึงอะไรหรือว่าในขณะที่กำลังจะกำลังจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรานึกเป็นห่วงอะไรนะมันจะออกมาเลยนะฮะถ้าคุณเป็นห่วงลูกมันก็จะออกมาตอนนั้น ถ้ากูเป็นหัวงานก็จะออกมาตอนนั้นนะมันก็ทำให้เรารู้ว่ามัน ม, มันมีอะไรที่เราจะต้องเข้าไปสาสางเพื่อให้ใจของเราเนี่ยพร้อมจะจากไปได้ในทุกเวลามีเพื่อนบางคนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแม่เป็นพาร์กินสันนะก็เป็นมา2ยสุกี่ปีนะเวลาลูกเนี่ยลูกเนี่ยชอบไปต่างจังหวัดไปสัมมนา เวลาไปสัมมนานเนี่ยลูกนี่ก็จะกังวลมากเวลามีเอสเอมเอมาที่มาที่มือถือเนี่ยจะไม่กล้าเปิดเพราะกลัวว่าจะเป็นข่าวแม่เสียชีวิตนะและห่อยครั้งเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่ลูกสาวจะเดินทางเนี่ยก็จะมีเรื่องระหองระแหงกับแม่เพราะแม่ในี่ภากินสันเนี่ยจะจะทำอะไรงงเงิ น, ง น, ง น, งนแม่บางทีลูกก็โมโหนะ เป็นต้นบางทีจากลากันก็จากลากันด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจปัสมณก็ไม่เป็นอันส ม, ม น, นะเพราะว่าสมณาต่างแหวดก็ไม่รู้ว่า